พอดีนอนตื่นมาประมาณตีสามหรือตีสี่เนี่ยคำนวณตีสามนี่นะทำเลยจะเล่สติแบกเคลื่อนไหวอย่างไี่ยยกมือไปเอามือมาโดนหน้าถอยหลังทําอย่างนั้นนะเจริงลงลจริงจริงเอามากระทาเอามาจริงจรไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องทํำจะรู้อะไรไม่ทราบระเบียดนี่ยมีจุดไม่จุดเดียวคือขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้า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 ถ้ามันมีคนโกดอยู่เนี่ยตายแล้วครับไปมาโลกมันต้องไปในโลกจริงๆจกในลกเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องไปจริงๆติดใจระบันเน่าเปียกแสะมันเหนิมมันโกดขึ้นมาเนี่ยมันเนาเปียกแสะเหม็นอยู่ยิ่งกว่ากองอุจนะด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยเห็นว่าเราเน่าเหม็นเปียกแสะนี่แหละเราคิดว่ามันดีโกดต้องเอาชะมึงไม่จักโกหรือเหน็บมันเข้าใจอย่างนั้นไห้เป็นผู้ใดจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นยังไงตัวของข้าพะเจ้าเองจะเคยโกดเหมือนกัน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 แต่จะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้เ่าสู่ฟังอันเนี้ยอันนี้ระรับรองได้ว่าทุกคนปฏิบัติตเลินสติประฐานสี่อย่างถูกต้องอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งเป็หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอา น, นิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงๆ จ, งจะเข้าใจทราบซึ้งหลักพุทธศาสนาจริงจริงอ่านนี้อาตมาได้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 มันคนต้องเข้าเข้าจริงๆมันเป็นหลดเหนียวมันสามารถยืนยันรับรองว่าภาคลดสอนอย่างนี้วิธีนี้มันเข้าใจอย่างนั้นนี่สมมติว่าเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยๆสร้างมิดเงนจักพันล้านก็ดีเอาขนคลัวขรืนไปนอนที่นั้นแบบนี้ได้จากสองวันสามวันอนุมันเสื้เพลิงไปเทลงไปมีไม่คิดขั้นเดียว